สวดมนต์สาธยายภาวนาเสร็จแล้วต่อไปก็บริกรรมภาวนาทำสมาธิภาวนาโดยการฟังธรรมะจะได้นำธรรมะมากล่าวมาซีแจงแสดง เ, เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจให้เรียบร้อยเทาที่นั่งสมาธิในการฟังธรรมะนั่งให้สบายให้ขัดสมาธิสบายก็ ขัดสมาธิไม่สบายก็ฝึกขัดฝึกนั่งการนั่งสงบขัดสมาธิมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่งนานๆไม่เอียงไปข้างเดียวนานก็จะมาเป็นการขบเส้นประสาท นั่งให้ตรงทำโครงสร้างในกายของเราให้ตรงไม่กดไม่เก้นจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็น้อมจิตน้อมใจนะโมนะโมแปลว่าความนอบน้อมตั้งใจน้อม น้อมคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาที่ใจพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจน้อมคุณของพระธรรมเข้ามาที่ใจของเราธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ใจน้อมคุณของพระอริยสงสาวกเข้ามาที่ใจสังโฆ คุณของพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจอย่าพุทธโธธรมโมสังโฆรวมเข้ามาอยู่ที่ใจที่ตรงตรงกลางหน้าอกของเรานี่แหละรูปพุทธโธธรมโมสังโฆแล้วกน็นอบน้อมพุทธโธธรมโมสังโฆด้วยนะโมตัสสะทักขวะโตรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พอนอบน้อมในพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยว่าน้อมใจของเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณ เพราะฉะนั้นน้อมโมคุณแห่งความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะปราศจากมนทินอามาที่ใจทาใจของเราให้เป็นกลางรู้อยู่เป็นกำกลางน้อบน้อมด้วยพระ ปัญญาคุณทำความรู้ตื่นในใจเข้าสู่ใจของเรานอบน้อมพระมหากรุณาธิคุณความเป็นดูสงสารปาถนะให้เป็นสุขเข้ามาที่ใจของเราให้ใจของเราปาถนะให้กายให้ใจของเรามีความสุข วความไม่มีโทษไม่มีสัญญาอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงแทรกซ้อนในใจก็จะให้เหลือแต่อารมรู้หายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทรูร้รม หายใจนี่เป็นสมบัติแห่งชีวิตของเราเป็นสมบัติอย่างยิ่งเป็นสมบัติที่มีคุณค่าเหนือกว่าสมบัติทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตถ้าขาดสมบัติคือลมหายใจไปแล้วชีวิตนี่ก็ขาดการสืบต่อไป เพราะฉะนั้นทำความ ม, วามุ่งมัน่นทำความมุ่งมั่นหมายมัน่นรู้หายใจเขา้าพุทหายใจออกโทหายใจเขา้าพุทธหายใจออกโท <c oughs> นี่เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เครื่องะระลึกของสติ สติคืออาการแห่งความะระลึกรู้หลหระลึกรู้เท่าทันลมหายใจเรียว่าลมปานลมปานอนาปานอนาปานสติสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจุดเบื้องต้นศูนย์ หรือเป้าหมายแห่งความระลึกรู้เป้าหมายแห่งความรู้จดจอ่อรู้ลมเข้ารู้ลมออกพุทธรู้ลมเข้าพุทธรู้ลมออกโทไม่เอาสัญญาลมอย่างอื่นทอดทุระทอดทุระทั้งหมดรวมความรู้ความเห็นความนึกความคิด รวมเข้ามาที่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เรียกว่าให้อารมณ์ของใจเป็นอาหารอาหารที่เบาอาหารที่สบายอาหารใจคือการรู้ ลมหายใจเข้าหายใจออกมีเป็นการปฏิบัติสมถภ า, าวนาอบรมใจธรรมชาติใจของเรานี้มันจะสายไปตามอารมณ์แล้วแต่ลมอันไหนจะเกิดขึ้นลม เล็กลมใหญ่ลมพายุลมที่มีกำลังมากส่วนลมในใจก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรู้ความะระลึกรู้แต่ว่า สิ่งไหนมันเป็นภาระที่มีความอยากมีความอยากมีความสำคัญมั่นหมายเป็นอารมณ์แห่งการทำการทำงานอารมณ์แห่งความเกลียดชังอารมณ์แห่งความชอบใจพอใจน มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาด้วยความรู้ติดไปรู้จำหรือรู้ปรุงแตง่งถ้าปรุงแต่งเป็นเรื่องอารมณ์ในข้างหน้าถ้าจำเป็นเรื่องอารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานนี่วันก่อนนู่น ปีก่อนปีไปนู่นหรือชาติหลังๆนุ่นมียานเครื่องรู้ก็ไปรู้ตามเครื่องที่ผ่านมาในธรรมชาติของใจของความรู้มันจะไปรู้ตามอารมณ์นั่นๆเพราะฉะนั้นเราฝึกหัดปฏิบัติ เพื่อจะให้ใจของเราเป็นอิสระจิ่งต้องมีการสกัดกั้นด้วยสติด้วยความรู้ด้วยสัมปชัญญะยิงว่าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจไม่น้อมไปไม่เอียงไปตามสัญญาอารมอย่างอื่นรู้อยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธ คุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณให้คมเกืนกันอยู่กับความรู้ปัจจุบันเดี๋ยวมันจะแวบไปสอดไปก็ไม่ตามสติรู้จะลึกรู้ทันปัญญารอบรู้ ก็ให้จ่ออยู่จงใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธนี่เป็นอารมณ์แห่งเครื่องรู้ของใจเครื่องะระลึกของสติฝึกเราฝึกหัด เรียกว่าเจริญการฝึกหัดเรียกว่าเจริญเหมือนอย่างเราทำอยู่ขณะ น, นี้นั่งฟังธรรมะก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยไปพร้อมคือการทำสติให้มากกำกับอยู่กับใจกับความรู้ปัจจุบันปัจจุบันของเรานี่แหละเจริญอ น, นาปานาสติ <c oughs> อาศัยพระกรุณาที่คุณพระเมตตาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาให้มีความรักคือให้รักตนรักตนก็คือรักใจของเรานี่แหละรักใจของเรารักกายของเรา รักวาจาของเราเรียกว่ารักตนคือรักรูปกับนามก็คือกายใจของเราความรักอั น, นเรียกว่าเมตตาโลโกโปธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค่ำจุนจิตใจนี่ให้เม ความสงบร่มเย็นเป็นสุขและคำจุนจิตใจและกายของบุคคลอื่นสัตว์อื่นด้วยท่าน เ, าเมตตาทมคํำจุนโรคโรคคือสัตวรโรคคือมูสัตว์ก็ได้แก่กายกับใจนี่จเจริญเมตตาเมื่อรวมร สมถะที่รวมใจ อ, อยู่จูกับอารมณ์อยู่กับลมหายใจแน่แนแน่ได้แล้วก็จเจริญภาวนาเมตตาเมตาตาการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นธรรมที่จะทำให้ พ้นจากความวุ่นวายสายแสยของใจได้อันนี้ว่าทำให้พ้นจากทุกได้ทุกทางใจเมตตาเจโตวิมุตติยาจเจริญเมตตาย่อมทำให้พ้นจากสมุตถึงวิมุติ คือความสงบสุขแห่งใจอานเจริญเมตตากันดีกว่าเรากำหนดเห็นสิ่งใดรู้สิ่งใดให้พิจรารณาถึงความแปรปวนให้กำหนดรู้ความแปรปวน ความไม่เป็นปกติความแปรปวนของกายความแปรปวนของวาจาความแปรปวนของความนึกคิดของจิตตังร่วนแต่ไม่เป็นปกติทำความเข้าใจถึงความแปรปวน ให้เห็นให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแปรปวนสิ่งใดแปรปวนสิ่งนั้นก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่เรียกว่าเจริญปัญญาด้วย เมตตาเมื่อเห็นกายเห็นจิตเป็นสิ่งที่แปรปวนอยู่เห็นกายเห็นจิตของเราเองน้อมเข้ามาดูที่กายที่จิตของเราเห็นของเราภายในแล้วก็น้อมไปที่ารณาภายนอกถึงบุคคลอื่นสัตว์อื่น ด้วยร่วนตกอยู่ในสภาพแห่งความแปรปวนและเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่ใช่ปัญญาพิจารณาสอนใจเราเรียกว่าตั้ง การไครควรพินิจพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นความแปรปวนันเป็นทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายเพราะ รูปร่างกายนี่ในจากกรรมลาบากนีอเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้รับความทุกข์ทรมานเพราะอะไรเพราะมีรูเพราะมีกาย <c oughs> เพราะมีรูปเกิดขึ้นจึงเป็นที่ตั้งของความแปรปวนของกายพิจารณาถึงทุกถึงความลาบาก แล้วความทุกข์ความลำบากของกายนั่นใครเป็นผู้รับรู้รับทราบก็คือใจซึ่งเป็นนามธรรมาเป็นสภาพแห่งความรู้รู้และความทุกข์ก็มาเกิดขึ้นที่ใจที่เรียกว่าทุกข์ใจ เห็นทุกเห็นโทษที่ใจนี่เป็นผู้รับภาระทั้งทงที่ใจนี่ด้วยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเป็นเพียงสภาวะแห่งความรู้เท่านั้นแต่อาการที่ทุกขอาการที่ ใจแสบเร่าร้อนอึดอัดขับแค้นท่านบอกว่าเป็นกิริยาแห่งความทุกข์เมื่อความคับแค้นใจเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือทุกข์จริงว่าตังโคปนิดังนุ ข, ขังอริยสัจจงความกิงของทุกข์ชาติีติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ เชราปีทุกขังความแก่ความค้าค่าความอ่อนแรงหมดแรงเป็นทุกข์กับท่ากับมรณมปีทุกขังความตายที่จะตายก่อนจะตายก่อนกายกับใจจะแยกกันสัมผัสสัมพันธ์กับทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจแสนสาหัส เนี่ยให้เห็นความบีบขั้นแห่งทุกข์ที่มีต่อกายต่อใจเป็นสิ่งที่น่าสยดสยอง <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่มีใครๆป่าเถนาทั้งนั้นแต่มันก็มีขึ้นก็น เ, เกิดขึ้นเพราะมีกายกับใจ <c oughs> แต่ก็ให้พิจารณาให้ภาวนากำหนดรูป ทุกเรานี่แหละเพื่อให้เห็นโทษแห่งทุกขเห็นโทษเพราะความมีกายมีใจและสัมผัสกับความทุกข์ทางใจ <c oughs> ที่ท่านเรียกว่ากิริยาแห่งทุกโสกะปริเทวะความโศกความเศร้าเป็นทุกขความลำพัลำยลำพัน ความอึดอัดความคับแค้นใจเมื่อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามความอยากก็เป็นทุกข์นี่กิริยาแห่งอาการความทุกข์มันเกิดอยู่ที่ไหนเกิดที่ใจนีใจเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสเพราะฉะนั้นจึงว่าการเกิดไม่มีที่สิ้นสุด เกิดมาแล้วก็มาแบกมารับภาระแห่งทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอยู่อย่างนี้เรื่อยไปมาพิจารณามากาหนดรู้ทุกข์ควรกาหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนให้กาหนดรู้รู้แล้วก็เห็นโทษเห็นโทษของทุกข์เห็นโทษเราจึงจะเบื่อในทุกข์ หรือว่าคลายความยึดความพอใจในการที่จะมีทุกข์อีกต่อไปคลายความยินดีพอใจในการที่จะเกิดในการที่จะรุ่นเริงอยู่กับคบกับชาติแห่งการเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์เลื้อฉาน เ, าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติ น, นี่ก็เรียกว่ามีทุกข์เบาบางไปกว่าสัตว์เลื้อฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนั้นยิ่งมีทุกข์มากถึงแม้จะเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ว่าทุกข์เบาบางไปทุกข์น้อยไป แต่ถึงยังไงยังไงเมื่อยังมีความสัมปยุตมีความหลงมีความอยากอยู่ในภพในชาติก็จะต้องเกิดเพราะมีเชื่อเพราะมีเชื่ อ, อแห่งการเกิดคืออุปทานอุปทานกรรมนี่จึงต้องมอภิพาวนาให้ เข้าใจในเรื่องของทุกข์แล้วก็เห็นโทษเห็นโทษแห่งทุกข์ทุกกายทุกใจดังที่กล่าวมานั่นแหละทุกกายเป็นยังไงลําบากต้องใช้กายนี่ทนทุกทรมานยืนเดินนั่งนอนทํากิจการงานทนต่อความร้อนความเย็นทนแต่อความเก็บความป่วยความแปรปวนนี่กาย ทุกข์สัมผัสเพราะมีกายแต่ส่วนใจไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวตนแต่ก็สัมผัสกับความคับแค้นใจความเสียใจความเหี่ยวแห้งความโทมนัสก็เป็นทุกข์ในใจ ม, มากำหนดรูปทุกข์ที่มีที่เป็นให้รูปให้สัมผัสเห็นโทษ ความทุกข์เหมือนกันกันกบบุคคลเห็นโทษของไฟความร้อนของไฟว่ามันร้อนเมื่อถูกไฟไหม้จับไฟเ่ยมันเกิดโทษอย่างไรบ้างได้รับความทรมานทั้งในปัจจุบันที่จับได้ยังต้องเป็นบาดแผลให้เก็บปวดต่อไปอีกหลา ย, ลายวันนี่ก็เหมือนกันะความรุ่มร้อง ยินดีพอใจอยู่ในความสุขความสบายในภพในชาติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติงั้นก็ย่อมมีทุกข์เหล่านี้มาพิจารณาทุกกายทุกใจเห็นโทษของความทุกข์ทางกายทางใจเห็นมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความอยาก นันะเมื่อเห็นโทษมันจึงจะถอนความอยากถอนความอยากเกิดถอนความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าถอนตัณหาถอนอุปทานออกจากใจด้วยปัญญาที่กำหนดรูปทุก์ซึ่งเป็นสัจธรร ม, มเห็นโทษ ด้วยปัญญาอันจึงจะวางความอยากนันจึงจะละได้ความอยากเกิดอยากวนเวียนอยู่อยากมีรูปมีกาย <c oughs> นี่ภาวนาด้วยปัญญาที่นิพิจารณา ให้ควรทบทวนกลับไปกลับมาเรียกว่าเมตตาเมตตาตนด้วยด้วยปัญญาด้วยภาวนาทำปัญญาคนคิดพินิจพิจารณาเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงแล้ว ความรู้คือใจที่รู้ออกไปภายนอกก็จะรวมเข้ามารู้อยู่เฉพาะใจภายในมาเห็นใจมารู้ใจมาเข้าถึงเหตุคือใจเป็นที่เกิดของความสุขความทุกข์ เป็นที่เกิดของความรู้ความหลงเป็นที่เกิดของความอยากความเกลียดความถือตัวถือตนมาหนา้าทิศทีอะไรเกิดขึ้นที่ใจนี่อยู่ตรงนี้นี่เมื่อมาภาวนามากำนดรู้พินิดพิจารณา ด้วยความจดจ่อด้วยความเพ่งเลง เ, เรียกว่าเดินปัญญาเดินวิปัสนาเรื่องความรู้ความเห็นความเห็นถูกเห็นผิดที่จะให้เกิดความเห็นถูกเห็นชอบได้ก็ต้องใช้สุตะการได้ยินได้ฟังแล้วก็ใช้จินตะคือการตรึกตองไข้ควร รวมเข้าไปเป็นปัญญาภาวนามมยปัญญาทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจแจ่มแจ้งชัดเจนนั่นแหละจึงจะถอนเหตุปัจจัยคือทำลายความลุ่มหลงตัณหาอุปาทานทิพทิมานะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราจึงจะทำลายต้นตอหรือพืชพันธ หรือเชื่อแห่งทุกเรานี่ลงไปออกจากจิตใจล้วทอนความหลงคือโมหะความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นแหะเป็นรากเง่าเข้ามูลแห่งโทษทุกข์ทั้งหลายรากเง่าเข้ามูลแห่งอาสวะนี่ต้องทอนด้วย มัคคะปฏิปทาคือการเจริญสติสมาธิที่กำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูให้ต่อเนื่องกันจงใจมุ่งมั่นในการรู้การละลึกรู้เมื่อชำนิชำนาน เรียกว่าวสีรือการกำหนดการเพ่งชำนิชนาญอยู่ในสิ่งเดียวในอารมณ์อันเดียวก็จะเกิดพลังเรียกว่าสมาธิจิตความมั่นคงของจิตหรือความสงบความสงบท่านเรียกว่าความรู้นี่ขาดจากการประตึกตอง การไปปรุงแต่งตามเรื่องน้นเรื่องนี่ี่เรียกว่าสงบจากอารมณ์ถ้าสมาธิเมื่อสงบจากอารมณ์อย่างอื่นมากๆได้เลยใจนี่มีความมั่นคงความรู้มั่นคงตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองนี่เรียกว่าเป็นสมาธิความตั้งใจมั่น ตั้งใจมั่นอยู่ในใจตั้งความรู้รู้อยู่ในความรู้ไม่สายแสไปตามอารมณ์ที่จะให้เกิดช่องว่างคือความหลงเข้ามาควบคุมแล้วก็จะเกิดความนึกคิดปรุงแต่ง สำคัญม่นหมายผิดไปเรื่อยว่าเป็นสายทางแห่งความทุกข์เมื่อมาปฏิบัติรู้เข้ามาสู่ต้นตอของสภาวะทั้งหลายคือใจโดยอาศัยการให้เข้าไปรู้อยู่กับอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็น สมบัติแห่งชีวิตของเรากลงกืนกันอยู่ได้ไม่ขาดสายนั่นแหละผลแห่งความสงบความตั้งมั่นจะสัมผัสรับรู้กับใจแต่ก่อนใจเนี่ชิดปุงฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่สัมผัสกับความ สงบความสุขความเบาความสบายคิดปรุงไปเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆตามความอยากตามความตามสมุทยัยความอยากตั้งเหตุขึ้นมาแก้ไปด้วยความนึกความคิดแก้เท่าไรเขาไม่จบไม่สิ้นไม่สุดต่อเมื่อให้หยุด เข้ามารู้อยู่กับความรู้อันเดียวนี่จะปรากฏความเบาความสบายความเว่างว่างของใจความเบาความสดชื่นอะไรจะปรากฏขึ้นสัมผัสกับใจอันนี้เป็นผลจากสมาธิธรรมคือใจเป็น ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากสัญญาอารมณ์ไม่ถูกปกคุมด้วยกิริยาแห่งความโลภโกรธหลงใจจะเป็นตัวของตัวเองใจจะเบาใจจะสบายมีความเว่งว่างีด้วยพลแห่งสมาธิ เมื่อชํชนานี้ชํานานยืนก็มีความสงบมีความแน่วแน่เดินก็มีความแน่วแน่มั่นคงเป็นตัวของตัวเองนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดทากิจการงานเคลื่อนไหวไปมาใจนี่ก็แน่วเป็นตัวของตัวเองรู้สกมีความมั่นคง ในความรู้นี่เรียกว่าความรู้เป็นที่พึ่งของความรู้ตนเป็นที่พึ่งของตนหรือไม่สายไปตามอารมณ์ไม่รู้ผิดไม่เห็นผิดไปตามอารมณ์ที่สัมผัสตาหูจมูกิีดกายใจรู้เสียงกินรส โอทภะในเมื่อจิตนี้มีธรรมคือสมาธิความมั่นของใจแล้วจะมีเหตุมีผลเมื่อสัมผัสทางตาส่งเข้ามาสู่ความรู้ความรู้นั่นก็จะรู้ด้วยเหตุผลในสิ่งที่เห็นคือจะมีเหตุผลในตัวเอง เพราะสิ่งที่ให้เห็นนั้นเป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเขาไม่ได้เป็นอะไรเมื่อการรับรู้ด้วยการเห็นรู้ด้วยใจสิ่งที่จะไปสำคัญมั่นหมายอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อใจนี้มีสมาธิ คือความมั่นคงเป็นตัวของตัวเองแล้วสิ่งที่สัมผัสเข้ามาด้วยการเห็นใจนี่เขามีเหตุผลรูปความจริงในสิ่งที่เห็นนั่นถึงว่าสักเพียงว่ารูปรูปสักเพียงว่ารูปไม่ใส่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าสัมผัสทางหูด้วยเสียง เสียงมินทาเสียงสรรเสริญเสียงเกิดจากความโกรธเสียงเกิดจากความรักความเมตตาอะไรต่อแล้วแต่ผู้รู้นี่มีเหตุผลได่ว่าสัมผัสเข้ามาทางวิญญาณทางวิญญาณย่อยหรือวิญญาณอาศัยเข้าสู่วิญญาณเดิมคือใจ ความรู้มีเหตุมีผลเสียงก็สักเพียงแต่ว่าเสียงหรือจะรู้ว่าเป็นเสียงเกี่ยวกับเรื่องน้น เ, เรื่องนี้เพื่อให้เป็นสือ่อได้รับรู้โดยสมมุติก็เข้าใจไปตามสมมุตินั่นแล้วก็เข้าใจแบบสักเพียงแต่เป็นเสียงไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใส่ใจเราเสียงนั้นไม่ใส่ใจของเรารูปนั้นไม่ใส่ใจของเรา นี่ปัญญาหรือสมาธิจะทำหน้าที่ให้ความรู้รู้ด้วยเหตุผลอย่างนี้กลินลดโหทภะก็เหมือนกันคือรู้รูกเสียงกินลดโอทภะอันนี้แหละเหตุที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์รับรู้กับใจและจะให้เกิดความ ขับแข่นใจความเสียใจความไม่สบายใจก็เพราะสภาวะอายตนะที่สัมผัสภายนอกภายในและกับมีใจเป็นผู้รู้นี่เองอมเมื่อสัมผัสเข้ามารู้ด้วยเหตุผลอของใจที่ได้ฝึกให้มีสมาธิมั่นคงแล้ว มันก็ตกไปตกไปไม่เป็นอุปทานเอาเข้ามาค้างไวในความรู้ไ ม, ไม่กาไม่กลายเป็นสังขารไม่กลายเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีทุกข์ในใจแต่ว่าใจนี้ไม่มีภาระแบกพอเข้าใจตามความเป็นจริงก็ตกไปตกไปด้วยปัญญาด้วยสมาธิ อีสุดท้ายใจก็เรียกแต่ใจก็เป็นความสุขอยู่เฉพาะใจความจริงรูปและนามทำงานร่วมกันจึงไม่มีทุกข์จริงเพราะมีธรรมเป็นเครื่องรู้มีธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแจ่มแจ้ง ด้วยสมาธิและปัญญา<ม>การเกี่ยวกับรูปการทำงานเกี่ยวกับรูปกับวัตถุต่างๆนันก็เป็นสมมุติลู้เรื่องสมมุติที่เราทำไป<ม>ทำการงานอะไรในสมมุตมิเพื่อให้มันดีตามสมมุตรมิรับผิดชอบในสมมุตินั้นส่วน เรื่องวิมุตตหรือความแปรปวนแปรสภาพก็เข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านั้นใจก็ปล่อยวางก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นเหตุไม่เป็นอารมณ์เข้ามาเป็นปัญหาของใจนี่เร้ว่าด้วยธรรมะ ที่เราเจริญมาโดยลำดับโดยอาศัยพระเมตตาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้วิธีการที่เรานำมาประพฤติปฏิบัตินี่ได้มาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเรียกว่า เป็นาศาสนธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าสอนมรรคแสอนศีลสมาธิปัญญาสอนให้พึ่งตัวเองสอนเมตตาเราจึงได้มาเจริญเมตตาเพราะอาศัยเมตตาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาทําให้เป็นเมตตาเกิดขึ้นที่ใจของเรามาเป็นเมตตาจิตของเราด้วยการเจริญภาวนาฝึกจิตใจ ตามพ้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานได้ทรงสอนไว้เช่นอนาปานสติพระองค์ก็เป็นผู้กระทามาก่อนในคราวที่สเสด็จอยู่โดยลำพังที่ล่มไม่ว่าทิ้งได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกยังปฐมฌานให้เกิด ก็คือเกิดปิติเกิดความอิม่มใจเกิดความเบาใจเกิดความตั้งมั่นสงบของใจนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขในองค์แห่งปฐมฌานเบื้องต้น เ, เมื่อใจมีการวิตกอยู่กับลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่นเรียกว่าวิตกวิจาร เ, เมื่อแนบแน่นเข้าไป ล, ละเอียด เกิดเป็นปิติจิตเมื่อไม่ทรงสายด้วยอารมณ์ต่างๆเขามีความอิม่มใจปิติมีปิติก็มีสุขความสุขใจสบายใจเนวิตกวิจารปิตติสุขแล้วก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเองี่เรียกว่าเอกคตาเอกขาตาจิตจิตรู้อยู่เฉพาะจิตเป็นจิตอันเดียวไม่ได้ไปสัมพันธ์ สัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์กับสังขารวิญญาณสัญญาอย่างอื่นเป็นความรู้อยู่เฉพาะความรู้เรียกว่าเอกข้าตาจิตเอกข้าตารม์คืออารมณ์อันเดียวเอกทคาตาจิตคือความรู้อยู่เฉพา ะ, สะเสวยความเป็นเอกข้าตารมณ์อยู่สบายเป็นสุขนี่องค์ของปฐมฌาน ที่พระพุทธเจ้าในข่าวเป็นสิธาตุราช ก, กุมารก็พระ อ, องค์เป็นผู้ธรรมาก่อนจึงได้มาสอนอพุทธสาวกทั้งหลายจึงสืบทอดมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้หนทางที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ทั้งทางกายและทางใจได้ จะต้องปฏิบัติตามอย่างนี้คือสติสมาธิปัญญาต้องกำหนดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มีความเพียรแพ่งอยู่อย่างนี้ให้มากๆให้ต่อเนื่องกันจนทุกิริยาบทนั้นผลก็จะเกิดขึ้นคำว่าสมาธิความตั้งมั่นของใจเราก็จะรู้ด้วยใจของเราเอง ความสงบความละลึกต่อเนื่องใจไม่ได้สายแสไปตามสัญญาอารมณ์ปรุงแต่งอย่างอื่นจะเป็นความสุขอย่างไรก็ระจะสัมผัสนี่เรียกว่าผลผลของธรรมะผลของการปฏิบัติตามธรรมะคือผลของสติผลของสมาธิผลของปัญญ า, าท่านเรียกว่าเป็นผลนั่นแหละผลจากการปฏิบัติจากการเจริญ สติให้ต่อเนื่องแล้วก็สมาธิชํานาญในความสงบในความตั้งมั่นอปัญญาชํานาญในความรอบรู้เห็นอสภาวะธรรมตามเป็นจริงคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริ ง, ห, นน ง, ง, าารงหรือว่าเห็นกายเห็นใจที่มันแปรปรวนอยู่ตามสภาพความเป็นจริงอย่างร่างกายของเรา เห็นความแปรปวนนับตั้งแต่วันเกิดมาหรือรู้นับตั้งแต่เรารู้เดียงสามีสัญญาจดจำจากความเป็นเด็กเป็นเล็กเจริญมาเป็นความหนุ่มสาวเป็นผู้ ม, มีอายุก็ค้ำค่าแปรปวนไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงของ่ายรู้ความจริงของจิตของสัญญาสังขารความนึกคิดความจำเคเกิดดับดับจำสิ่งนั่นแล้ว หายไปแล้วก็ไปจำสิ่งนั้นสังขารกับปรุงสิ่งนี้เลยกปปรุงสิ่งนั้นรวมแล้วขันทั้งห้าทั้งลูกสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งเที่ยงแต่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยที่เป็นอารมณ์เสวยของใจก็เป็นเที่ยง เกิดเกิดดับดับเท่านั้นนีม่มารู้ธทรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะด้วยสติสมาธิและปัญญาด้วยอาศัยพระเมตตาอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและทมอันบริสุทธิ์แห่งธรรมพระอริยสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ แต่รู้ได้เข้าใจชํานาญในการปฏิบัติแล้วนํามาสอนเป็นโอวาทเป็นคําสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหนทางอันชอบนี้ทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตั้งสติอย่างนี้กําหนดรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ตามหนทางที่ท่านสอนเป็นทางที่ถูกต้อง ผลคือความสงบเรือว่าทุกข์ทั้งหลายดับไปเนี้ยแต่ความสุขความสบายเนี้ยแต่ความอุเบกขาจิต <c oughs> อุเบกขาธรรมอุเบกขาจิตคือจิตรู้อยู่เป็นกลางๆให้ขึ้นไม่ลงไม่สุขไม่ทุกข์อะไรแหละเรียกว่าเฉยเรียกว่าอุเบกขาธรรมนี่เป็นได้ด้วย สมะถะวิปัสนาด้วยการฝึกหัดปฏิบัติตามเส้นทางแห่งสมะถะธรรมวิปัสนาธรรมไม่ใช่ว่าใจของเราเป็นวิปัสนาวิปัสนาคืออุบายคือหนทางที่ให้กระทาที่ให้ปฏิบัติให้กาหนดเมื่อผลเกิดขึ้นก็คือความเป็นอุเบกขาธรรม เบคขาจิตนี่จิตพ้นจากทุกได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จึงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจมีคุณค่าต่อใจโดยเฉพาะลมหายใจมีคุณค่าต่อชีวิต ถ้าสิ้นสุดลมหายใจแล้วชีวิตสิ้นสุดไปหาความเจริญในชีวิตไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เรียกว่ามีความเจริญด้วยธรรมนึ่เพราะลมหายใจนั่นก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติลมก็เป็นธรรมชาติน้ําก็เป็นธรรมชาติไฟก็เป็นธรรมชาติอากาศก็เป็นธรรมชาติ กายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติแน่สุดท้ายจะลงสู่ความเป็นธรมรมลงสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของใจไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นธรรมชาติรู้รู้แล้วก็เฉยนั่นเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติอันแท้จริงของใจได้เรียกว่าสิ้นสุดทุกข์ ทั้งหลายทั้งกวงเพราะฉะนั้นจึงว่าเมตตาเนี่แหละเมตตาธรรมที่ได้พูดถึงการเจริญสมถะธรรมวิปัสนาธรรมได้เจริญเมตตาธรรมจนให้เมตตาเข้ามาเป็นจิตของเราจิตเป็นเมตตา ท, ทีแรก อารมณ์อารมณ์แห่งเมตตา ท, ที่จะที่จะเจริญที่จ ะ, ะระลึกที่จะน้อมเข้าน้อมออกในใจของเราวิจัยวิจาร์ถึงเขาถึงเราถึงบุคคลอื่นเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์เมตตาจิตก็เกิดขึ้นมีปปาธนาให้เป็นสุขนี่เรียกว่าเมตตาจิต เกิดที่นี่เมตตาเกิดด้วยการเจริญเมตตาภาวนานมันก็จะเป็นความละเอียดหรือเป็นกำลังมีกำลังมากต่อเนื่องกันกายมาเป็นใจของเราเป็นเมตตาเสียเองที่นี่เมตตานี่ก็ครอบกายครอบใจได้หรือว่าครอบโรคกะทา ด้วยเมตตาที่เจริญเมตตาภาวนาที่ภาวนาเจริญเมตตาภาวนาเจริญเมตตาภาวนาเจริญอสุภะภาวนาเจริญมรณะความเกิดความดับภาวนาเจริญอนาป า, านาหนรมหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าเราภาวนาเจริญเมตตา ก็เรื่องว่าวิตกวิจารน้อมถึงเขาถึงเราต่างสัตบุคคลตัวตนที่มีจิตรับรู้มีความรู้ความรับรู้ย่อมปราถนาความเป็นอิสระในตัวเองของทุกตัวตนคนสัตว์ไม่ว่าแต่เขาแต่เราเก็ให้เข้ามารู้เรื่องของเราเองรูเรื่องของจิตใจของเราเอง แล้วก็จะเห็นผู้อื่นเหมือนกันแล้วเมตตาั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจกลายเป็นเมตตาจิตอก็จะดับทุกข์โดยเมตตาได้อความทุกข์ไม่มีหละเมื่อจิตเป็นเมตตาความทุกข์ในใจไม่มีมิแต่ความสุขความรื่นเริงเบิกบานด้วยเมตตาเนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ การกาหนดรูรลมหายใจเข้าหายใจออกน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจหรือใจถึงพระพุทธเจ้าก็ามีความสุขความสบายความว่างความวางเฉยเฉพาะใจเหมือนกันทุกอารมณ์ทุกอุบายที่ปฏิบัติ เนี่ยเป็นไปในหนทางแห่งอริยมรรคคือการปฏิบัติที่ชอบด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญานี่แหละผลจะเกิดเป็นอันเดียวกันผลให้เกิดความสุขเป็นอันเดียวกันถ้าเดินตามสายทางของกิเลส ข, ของอาสวะผลก็เป็นความทุกข์เหมือนกัน หลงไปตามความโลภหลงไปตามความโกรธหลงไปตามความหลงมัวเมาไม่รู้ตัวรู้ตนไม่รู้กายรู้ใจก็จะเกิดแต่ความทุกข์ความร้อนด้วยความโกรธความโลภด้วยความหลงรักหลงชังด้วยความอยากอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์เรื่อยไปนั่นสายทางแห่งอาสวะ สายทางแห่งกิเลสสายทางแห่งธรรมะทำ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะมนับตั้งแต่การเจริญใจจิตใจให้มีสติ สัมปชัญญะแล้วก็เจริญสัจจะอธิฐานะงดเว้นจากบาปจากการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เจริญสติปัญญาเจริญความเสียสละจาคะด้วยทานการให้เจริญความคาระวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งกายและใจารารวจะนิวาโตจะจิตใจนี่ฝึกฝนให้มีความเคารพอ่อนน้อมเป็นมงคลให้เกิดสุขถ้าเราไม่ฝึกฝนมันแข็งกระด้างใจแข็งกระด้างใจไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนันก็เป็นความทุกข์เป็นผลให้เกิดทุกข์ เนี่ยเมื่อว่าฝึกมีความอ่อนน้อมกายก็อ่อนใจก็อ่อนรูปสูงรูปต่ำเป็นนิสัยแห่งความอ่อนน้อมก็ย่อมเป็นปกติให้เป็นมงคลอมีความสุขกายสบายใจด้วยการปฏิบัติตามธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมาที่เป็นสายทาง ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญานำไปสู่ความหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภยัยสิ้นสุดสัพเพาะเสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงลงได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาจริงๆว่ามีธทรรมเท่านั้น เป็นที่พึ่งอันกเกษมอันอุดมประพฤติปฏิบัติตามสายทางแห่งธรรมและจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโปรดได้นำอุบายแห่งการฝึกกายฝึกใจฝึกวาจาฝึกให้มีสติพูดอะไรสติเข้าไปกำกับ กับการพูดและลึกรู้มีโทษหรือไม่มีโทษเคลื่อนไหวทางกายให้มีสติเคลื่อนไหวเป็นกิริยาการอ่อนน้อมท่อมตนหรือแข็งกระด้างนึกคิดให้สติเข้าไปกํากับนี่เพราะฉะนั้นเดียว่านึกรู้ลมหายใจให้มีสติกํากับจะเจริญ จ, จะเจริญภาวนา สาธยายภาวนาด้วยการสวดสาธยายยาวๆเรียกว่ารมวัดสวดมนต์มีเรียกว่ า, รรว ส, ววาสาธยายภาวนาฝึกเพื่อจะให้วาจาอ่อนน้อมให้กายอ่อนน้อมแล้กวก็ให้ใจอ่อนน้อมรวมลงเข้าสู่ใจนั่นแหละเพราะฉนั้นเนนวลาสวดให้สติกากับรู้ไปทุกขณะขณะ มีสาธยายภาวนาบริกรรมภาวนาสติรู้กับการนึกอารมณ์อันใดพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมภาวนาภาวนาเจริญเมตตาา็สติกำกับใจรู้อยู่กับการคิดการวิจัยวิจาร์เรื่องความสุขความทุกข์ความปราถนาของ เขาของเราทุกตัวตนคนสัตว์ถ้าตีนิทิ่งไม่ได้ปาศจากไม่ได้อ น, นี่แหละเป็นเป็นฐานสำคัญเพราะฉะนั้นทางด้านจิตตะภาวนาเป็นการลงมือปฏิบัติตามการฟังเพื่อจะให้รู้เหตุผล แล้วลงมือปฏิบัติต้องมากำหนดสติสติสติรละลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้ปัจจุบันปัจจุบันเวลาเราบริกรรมภาวนาเวลานอกจากนั้นเนเราจะยืนเดินนั่งนอนเราจะเดินจะเคลื่อนไหวอะไรก็สติสติจดจ้องเจตนาอยู่กับ การพูดการกระทำการงานใดๆทั้งหมดนี่เองว่าธรรมะธรรมะเป็นคู่กับการกระทำงานของสมมุติเห็นว่าโลกิยธรมรมโลกุตรลกุต ร, รธรรมต้องเป็นคู่กันไปตลอด จจะทํางานมีความสุขถ้าไม่อย่างนั้นถ้าขาดโลกุตรธรรมเหลือแต่โลกิยธรรมใช่แต่ปัญญาธรรมโลกีทํางานภายนอกเ่ยเดี๋ยวทุกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะความไม่สมหวังเพราะความไม่เป็นไปดังอยากให้เป็นนั่นนี่เพราะฉะนั้นให้เห็นคุณค่าของการ ปฏิบัติกายวาจาใจใเป็นไปตามสายทางแห่งธรรมะนี่เองว่านําธรรมะมาเป็นเครื่องดําเนินเป็นหนทางดําเนินเป็นหนทางเดินถ้าไม่นําหนทางเดินคือธรรมะนี่มาเป็นเส้นทางเดินคือปฏิบัติตามแล้วจะไม่ประสบพบความ สุขอันแท้จริงสุขก็สุขนิดนิดน่ดนดนอยเพราะความได้ความมีในวัตถุทั้งหลายนั่นเองนี่ได้แนะนำอุบายธรรมะในการประพฤติปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในทั้งส่วนสั้นส่วนยาว ทีเรียกว่าสาธยายภาวนาหรือปริกรรมภาวนาหรือกาหนดทุกขภาวนานี่ให้เป็นอุบายเมื่อได้ยินได้ฟังก็จงน้อมนำไปปพฤพิปฏิบัติต้องไปเจริญปัญญาเองเจริญสติเองเจริญสมาธิเองนั่นแหละเมื่อมีผลแห่ง ปัญญารอบรู้ต่อเนื่องกันมีผลแห่งสมาธิตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองในความรู้ของใจเองมีผลแห่งสติะระลึกต่อเนื่องกันจนเป็นสมาธิความตั้งมั่นผลประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลประโยชน์ของใจ เป็นคุณค่าต่อจิตใจนี่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งการทำเป็นที่พึ่งพระสงค์เป็นที่พึ่งโดยการประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคําสอนการที่กล่าวธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตใจเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยอํานาจแห่งคุณพระ พุทธเจ้าเริ่มนาจแห่งคุณพระธรรมเริ่มนาจแห่งคุณพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้กระรรทําบําเพ็ญจงเป็นกําลังเหนือกําลังทั้งหลายทั้งปวงเดนินบรรดาลประสิทธิ์ประสานความถูกต้อง ให้ดำเนินไปจนถึงที่สุดและได้รับผลคือความสุขโดยธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิ